ยอมเสือเสืออันนี้มายอมดูดูดูเบอร์มันนะดูเบอร ด, ดูดูว่เบอร์มันมีความหมายว่าอย่างไรอ่าก็เบอร์ยิ่งสูงมันยิ่งขมนะเพราะว่นาน้ําตาลมันน้อย <c oughs> น้ำตาน้อยก็จะดีอยอาจารย์ <c oughs> ใช่แต่มันกินไม่ได้เล ย, ยมันขออมอ่ะมันมีแต่ผงโกโก้มันมี เ9เป็นโกโก้แล้วมี 1% เปอร์เ็นป็นน้ำตาเนี่ยมันก็ป่าบอกให้รู้ไว้ท่าว่าไม่เคยลองกินดูเนี่ยลองซื้อมา้นลองชิมดูสั ก, กอันันอ่งธรรมดาเขาทั่วไปมันห้าสิบห้าสิบที่เขากินกันอันนี้ไม่ทราบเขาทำเพื่อเพื่อขายให้ใครไม่ทราบอาจจะเป็นพวกที่กินน้ำตาลไม่ได้มั้ง เอาอะไรต้องอให้มีแต่โกโก้นะอะไรส่วนใหญ่เดียลองเอ า, อาลองไปชิมดูสักกันไหมเผืมไม่ผ่านชอกันแลครับไหมช็อกโกแลทั่วไปทไี่เขาทำนี่ส่วนใหญ่เขาห้าสิบห้าสิบอันนี้มันเป็นแบบพิเศษ สำหรับคนที่อาจจะ ก, กินน้ำตาลไม่ได้ไ่คนที่เขากินได้เขาก็ไม่กินดีกว่ามันมันขมอ่ะมันกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะี่แต่คนที่เขาชอบกินกาแฟดำเาก็กินได้ไม่หลอกเพียงแต่บอกให้ทราบว่าญาติโยมอยากจะซื้อของดีๆถวยครบ มันเบอร์ยิ่งสูงมันยิ่งแพงนงะแต่มันไม่อร่อยมันขมมันไม่น่ากินของของพวกนี้แปลคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อมันก็เลยอย่างของสัมภาระที่ญาโยมซื้อกันในกระแปม๋มาเนี่ยญาโยมไม่ได้ใช่หรอกเห็นไหมไม่รู้ว่า ไม่ได้เปิดดูเท่าไหร่ว่าของที่เขาใส่ในกระป๋งมีอะไรบ้างอยในกระป๋งก็เห็นแต่ของที่อยู่ข้างบนน่ะข้างหน้าเขาข้างหน้าเขายัดกระดาษแมกระดาษกระน้ำขวดน้ำของเราดูคิดว่าของเต็มกระป๋งเลยก็มีแค่ของที่อยู่บนข้างบนน่ะข้างหน้าเขายัดหนังสือพิมพ์ไว้ใส่ขวดน้ำเข้าไปกลางบนก็มีปลากระป๋องมีอะไรพวกนี้ นึงมันเป็นอาหารสูตรอะเหมือนกับเป็นของที่ขายเป็นสูตรอะมันใช้ไม่ค่อยได้เทียนก็แท่งเล็กๆผ้าก็ผืนเล็กๆเออมันต้องมีให้ครบสูตรเนี่ยต้องมีให้ครบมีทั้งผ้ามีทั้งอาหารมีปัจจัยสี่เราก็เลยใส่ของเล็กๆน้อยๆเข้าไปยาสีฟันหลอดเล็กๆ ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาของไม่มีคุณภาพเพราะเขาของมันถูกแล้วเรา ข, าขายแพงได้เพราะเราไม่รู้เพราะของมันหลายชนิ ด, ดเ ข, ขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนรายการไว้ว่าของนี้มีราคาเท่าไหร่เราก็ดูตรงกรแปงว่ากี่ร้อยอเราก็ซื้อไปตามที่เราต า, ตามกำลังของเราส่วนใหญ่มันเป็นขยะมาถึงวัดแล้วมันเป็นขยะ พระเขาไม่ค <f dragging> ่อยได้ใช้กันแล้วก็ก็ส่งไปให้วัดอื่นต่อแต่อยากให้พระใช้สบู่ชยาสีฟันใช้ของที่เยอะก็ยอมไปซื้อแบบที่ยอมซื้อเอมันจะได้เป็นของเป็นชิ้นเป็นอันไม่เหมือนเป็นของตัวอย่าง ไมนี่เม่ไปโดนดาป่ะจริงจค่ะเออเออเดี๋ยวหาว่าพระไม่สันโดษไม่ยินดีตามมีตามเกิดยินดีแต่มันอยากให้ญาติโยมได้บุญเยอะเพราะญาติโยมก็คิดว่าเป็นของที่ที่ที่ดีมีประโยชน์ ของสังกัตานี่ที่เขาจัดเป็นชุดเนี่ยมันเป็นเหมือนสูตรผ้าเอ้ยอะไรเอ้ยซื้อมามันได้อย่างนิดอย่าง น, น่อยแล้วของที่มันซ้ำๆซากๆมันก็ไม่ได้ใช้เพราะมันเยอะผ้าอย่างเงี้ยไม้มีกรอนพลาสติกอันห น, นึ่งเงี้ยมีเป็นโหลนะซื้อของดีๆสักอันใช้มันทนทานกว่า ญายิโยมบางทีไม่รู้ว่ า, าพ้าจะใช้อะไรเก้ออะไรอาศัยคนที่เขาจัดเรียว่าคนที่จัดรู้คนที่จัดก็ไม่รู้หรอกเขา่าจัดไปตามที่มีคนเขาแนะนำกันมาปลนนากระป๋องบางทีก็ใกล้จะหมดอายุแล้วของใกล้จะหมดอายุเขาก็รู้ว่าคนซื้อไม่ได้ใช้เขาก็ คนใช้ก็พูดไม่ได้สบายสบายของพวกที่เขาขายของเงนี่ยิงคำว่าสังฆทานนิยามโยมก็เข้าใจผิดนี่คำว่าสังฆทานนี้คือทานที่ให้กับสงฆ์สงฆ์นี้แปลความหมายก็คือให้กับส่วนรวมสงฆ์ไม่นำมาหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าหมายถึงให้กับวัดให้เป็นสมบัติของวัด ของพระที่อยู่ในวัดทุกรูปเป็นเหมือ น, นของภาษาจีนนี่แกงสีไม่ได้เป็นให้กับคนนั้นคนนี้ให้กงสีแล้วใครที่อยู่ในบ้านต้องการอะไรก็ไปเอามาใช้ได้แบ่งกันใช้ได้อันนี้เรียกว่าสังฆทานคือพระพุทธเจ้าไม่อยากให้เราไปทำบุญกับพระรูปใดรูปหนึ่ง เพราะว่าเนี่ยพระที่ไม่มีคนรู้จักก็ไม่มีใครไปทําบุญเช่นพระบวทใหม่นี้ส่วนใหญ่จะไม่มีใครรู้จักเราจะรู้จักแต่หลวงพ่อแลนะถ้าไปถวายแต่หลวงพ่อแล้วถ้าเกิดหลวงพ่อเป็นคนงกเนี่ยหลวงพ่อก็เก็บไว้ไม่ให้อถ้าใครจะมาใช้ก็ต้องมารับใช้หลวงพ่อมาเอาใจหลวงพ่อคนที่ไม่มาเอาใจไม่มารับใช้มันก็อาจจะไม่ได้อะไรจากหลวงพ่ออ ก็เลยไม่ให้ถวายกับบุคคลเจ้าจงคือให้ถวายเป็นของวัดไปอย่างกุฏิศาลานี้สร้างก็ไม่ได้สร้างให้หลวงพ่อไม่ได้สร้างให้เจ้าอาวาสสร้างให้กับสงฆ์สงฆ์ภาษาบาลีก็เรียกว่าสังฆสังฆะสังฆะที่ภาษาไทยเราตัดไม่ไม่หานกาดออกไป เพาเวลาเขียนภาษาบาลีเขาไม่ใช้มหานกายเขาใช้จุดที่อยู่ข้างใต้งองงูสองงอคอคจริงไอ้ตัวจุดที่อยู่ข้างใต้งองูนี่หมายถึงมหานกายที่อยู่ข้างหน้างองงูอ่านว่าสังแต่พอมาเขียนเป็นจุดคนอ่านกนะ็อ่านเป็นสงไปพระอริยสงพระสงสาวกเนี่ย มาจากคําว่าสังขะพุทธธรรมะสังขะคือพระรัตนใจสังขทานก็ทานที่ถวายให้กับสงฆ์สงฆ์นี้ไม่ได้หมายถึงพระภิกษุองค์พระแต่ละรูปนี้เราเรียกว่าพระภิกษุพระภิกษุที่อยู่รวมกันมีนักมีสี่รูปขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นสงฆ์คือเป็นเหมือนกับ สภามีครบองค์จะให้มีครบองค์สงนี้ต้องมีพระภิกษุอย่างน้อยสรูปขึ้นไปถึงจะทําสังฆกรรมได้สังฆกรรมเช่นสวดปาติโมกข์นี้จะต้องมีพระสงฆ์อยู่ร่วมกัน4รูปพระภิกษุสี่รูปอยู่ร่วมกันถึงจะมีการสวดปาติโมกข์ได้แล้วเวลาถวายกรถินให้กับพระนี้ต้องมีพระอย่างน้อยอยู่พรรษารวมกัน5รูป จะทำสังฆ ก, กรรมประเภทนี้ได้เอ็นเวลาที่ถวายสังฆทานนี้เจตนาของพระเจ้าก็คือให้ถวายให้กับเป็นของส่วนรวมไม่ให้เป็นของพระรูปใดรูปหนึ่งให้พระทุกรูปที่อยู่ในวัดนี้มีสิทธิ์ที่จะใช้ของร่วมกันไดน้เพราะว่าถ้า เราไปถวายกับพระรูปใดรูปหนึ่งแล้วถ้าเกิดพระรูปอื่นเขาไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากของที่เราเข้าถวายให้พระรูปอื่นก็จะเดือดร้อนได้ก็อาจจะไม่มีพระอยู่พระบางวัดอาจจะมีพระรูปสองรูปนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหัวหน้าไม่แบ่งข้าวของให้กันนะเนเก็บไว้หมดพระก็เลยไปอยู่ อยู่แล้วก็อดอยากขาดแคลนก็ไม่อยากจะอยู่เลยให้พระวิจารย์เลยบอกว่าให้ถวายของเป็นสังฆทานเพราะว่าจะมีประโยชน์มากกว่าถวายให้กับบุคคลถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งท่านเรียกว่าบุคคลิกทานถวายให้กับส่วนรวมให้กับพระทุกรูปที่อยู่ในวัด น, นี่เป็น เป็นสังฆทานเป็นแต่เวล า, า่าโยมถวายนี่มันไม่ได้ถวายให้กับพระทั้งทั้งวัดอยู่ดีเดีย๋ยวพระรูปไหนก็มีกระแปงก็ถวายท่านท่านก็คิดว่าเป็นสังฆทานอัจริงมันไม่ได้เป็นสังฆทานมันเป็นบุคคลิกฆทานถวายให้กับรูปนั้นไปรูปนั้นก็ถือว่าของนั้นเป็นของของท่านท่านไม่ต้องเอาไปแบ่งให้กับใคร ถ้าถวายให้เป็นของสงฆ์นี่ท่านเก็บไว้เอาไว้ใช้เองไม่ได้เป็นของสงฆ์ก็ยังต้องมีพิธีต่อได้สังฆทานมาแล้วต้องต้องบอกพระทุกรูปที่ในวัดว่าของนี้เป็นของสังฆทานเอามาแบ่งกันใช้ได้ใครต้องการอะไรก็มาเอาไปได้โดยให้พระผู้ที่มีอาวุโสกว่าเป็นผู้พิจารณาก่อน เาค่อยเดินไปตามลำดับของอาวุโสพันเต้ลำดับพรนสาพระผ้าเรานี้เขาลด ก, กันด้วยพรรษาใครบวชก่อนก็ถือว่าอาวุโสพระผู้ที่บวชหลังก็ต้องกราบพระผู้ที่อาวุโสกว่าถึงแม้ว่าอายุจะแก่กว่าท า, ทางพระเราไม่ได้นับที่อายุของของคน รับอายุของวันบวชของการบวชต่างกันเพียงครึ่งชั่วโมงนี้ก็ถือว่าอคนที่บวชก่อนครึ่งชั่วโมงก็อาวุโสกว่านะต้องกราบตรงนั้นไปจนวันตายพบกันที่ไหนเจอกันที่ไหนก็ต้องกราบเขาไปตลอดน้องพ่แต่ทุกวันนี้เวลาที่เราทําสังฆทานก็เราก็ถวายให้พระภิกษุนั่นแหละมันเป็นบุคลิกฐานเนี่ย มัไม่ได้เป็นสังกฐานาจะทำยังไงให้เให้เป็นสังกฐานมันไม่เป็ น, ะนอะนอกจากไปวัดที่เขาเขารับของทุกอย่างแล้วเป็นวัดป่านี่ก็จะเป็นสังกฐานโดยอัตโนมัติเพราะว่าวัดป่านี่เขาจะแบ่งกันก็ไม่ส่วนใยา่จะให้มีหลวงพ่อเป็นคนรับคนเดียวอย่างที่นี่ยรับแทนแล้วของทั้งหมดก็ส่งเข้า ห, ห, ห้องคลังเก็บของแล้วพระต้องการอะไรก็ไปหยิบเอ า, เอาไปแบ่งกันใช้ได้ แต่ถ้าเป็นวัดที่เมืองนี้เขาจะแยกกันไปอยู่กุฏิใครกุฏิมันของใครรับเท้าก็เก็บเข้ากุฏิของใครไปเขาไม่มีส่วนกลางก็ถ้าถาวัดในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นแบบบุคคลิคทานของใครของมันนอกจากของใหญ่ๆหเช่นสร้างสร้างกุฏิสร้างเจดีย์อันนี้ก็ยังเป็นสังฆทานอยู่เพราะขนไปไว้ที่กุฏิไม่ได้มันใหญ่เกินไป อันนี้ก็เป็นสังฆทานโดยอัตโนมัติเพราะว่าเป็นเป็นของวัดไปกรณีที่พระสงฆ์น่งอยู่พร้อมกันที่อัศนนสสองนี้คือสี่โลกห้าโลกท่านมีการถวายสังฆทานนี้คือเป็นสังฆทานก็สังฆทานแบบแบบตามตัวหนังสือแต่ไม่เป็นสังฆทานแบบเป็นตัวตัวความหมายเดิม กือสรูปอะพ้ามียี่สิรูปในวัดพระสี่รูปมารับพระสี่รูปก็เอาของใครของมันมารับแล้วก็เป็นของใครของมันไปไม่ได้เอาไปรูปให้อีกสิอีก20สรูปอีกสิบกว่ารูปที่ไม่ได้มารับมันก็ยังเป็นของใครของมันอยู่แต่ก็พูดตามภาษาของอภาษาเลียงบาลีก็คือมีพระสี่รูปก็ถือว่าเป็นสนะองเนี่ยมาเป็นสงก็เป็นสังฆทาน ม, มันเรียกบาลีมันเอาคำบาลีว่าสงฆ์คือพระสี่ลูกถ้าอยากจะถวายสังฆท า, านก็ต้องนิมนต์พระสี่ลูกก็จะเป็นสังฆท า, านแต่ความเป็นจริงมันก็ยังเป็นของใครของมันอยู่อของที่โยมถวายสี่ชุดนี้พระแต่ละชุดก็เป็นของแต่ละองค์ไปแต่พระที่ไม่ได้มารับนิมนต์ก็ไม่มีสิทธิ์ในของที่โยมถวาย เพรนของนี้มันเดี๋ยวนี้มันต้องดูวัดนะถ้าอยากจะถวายของที่เป็นสังฆทาน<ม>วัดในเมืองในเก้าสิบเก้าจุดเ้าก็เป็นของใครของมันบิณตบายก็เหมือนกันบินตบายเสร็จก็กลับไปกุฏิทครกุฏิมันก็ที่ยงอยู่ที่สัประเทศนี้ก็คือว่าเวลาถวายคือหลวงพ่อท่านก็จะให้รวมที่เดียวนะแนั่นคือเป็นสังฆทานใช่มารวมกันแล้วก็ามาแบ่งกันอย่างบิณฑบายที่วัดนี้ไปบิณฑบาต ได้เรามาก็รวมกันเอามารวมกันแล้วก็ามาแจากกันที่ศาลาอีกทีนึ่งถ้ า, า, าบินทบาทในเมืองนี่เขาก็เดินไปได้บินทบาทอะไรมาเสร็จเขาก็กลับกุฏิเขาพระในเมืองเขาจะไม่มีการรวมมาฉันกันที่ศาลายกเว้นวันวันพระที่มีญาติโยมมาทําบุญก็จะมีการลง ม, มาฉันรวมกันที่ศาลา ตามปกติมินุนาเสร็จ ก, ก็กลับไปกุติใครกุติมันก็ฉันกันไปก็เป็นเป็นลักษณะบุคคลิขานเท่ามากกว่าที่เป็นสังคทานแต่ถ้าเป็นวัดป่านี่ท่านจะท่านจะรักษาธรรมเนียมเดิมคือของน้หบดที่ได้มายไม่ให้ถือเป็นของส่วนตัวขอให้ถือเป็นของส่วนรวม โยเวนว่าเขาเจาะจงให้โดยเฉพา ะ, ะก็ก็เก็บไว้ได้แตส่วนใหญ่ท่านก็มักจะเก็บไว้เท่าที่จําเป็นที่จะเก็บส่วนเกินท่านก็จะเอาเข้าเข้ากล่องกลางไปเพราะบางทีอาจจะมีของบางอย่างมันจำเพาะเจาะจงต้องใช้ยายาห ย, ายกยาหรือของใช้อะไรบางอย่างที่ที่ต้องมีเฉพาะคนบางคนอย่างนี้อันนี้ก็ถวายเป็นบุคคลิคทานไป อย่างก็รีงานถวายสังฆทานเออเวลามีงานไม่ว่าจะเป็นงานเทศ ก, ก, กาลอะไรก็ตามนะคะที่มีสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบุญถวายสังฆทานกันที่กล่าวกันพร้อมหน้าเนี่ยถือว่าเป็นสังฆทานได้เปล่าคะก็อยู่ที่ผู้รับเขาจะรับแบบสังฆทานหรือรับไม่แบบสังฆทานนะคาติโยมอาจจะ ก, กล่าวเป็นสังฆทานก็อย่างที่บอกอาจจะนิมนต์พระมา กี่รูปกี่รูปแล้วก็กล่าวคำสวายสังฆทานไปแล้วของเหล่านั้นถ้าพระเขาเอากลับไปกุติใครกุติ ม, มันมันก็เป็นของส่วนตัวไปแต่ถ้าเขามีแต่ว่านในเมืองก็ไม่มีที่ที่ที่ให้รวมของส่วนที่รับม า, าเขาไม่มีที่เก็บของส่วนกลางรับมาแล้วก็ก็เอาไปของใครของมันไปนี่มันไม่มีปัญหาก็เพราะว่ามันมีของมันเยอะ ของมันเหลือเฟือพระทุกรูปนี้ไม่ไ ม, ไม่อดอยากขาดแคลนกันถ้าเกิดมันมีน้อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดของมันมีน้อยแล้วได้แต่เฉพาะบางรูปเนี้ยรูปอื่นไม่ได้เนียมันก็อาจจะเดือดร้อนได้รูปที่เดือดร้อนอาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ลาสิกขาไปแล้วต่อไปถ้าเวลาจะทำพิพธีกรรม เช่นการบวชพระนี่อาจจะไม่มีพระพอที่จะมาบวชพระก็ได้พอจะบวชพระได้นี่อย่างน้อยต้องมีพระสิบรูปขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่า น, นั้นมีพระน้อยเพราะพระที่มาอยู่มาบวชที่หลังนี่เขาอดอยากขาดแค้นเนี่ครับเขาอยู่ไม่ได้อาจจะย้ายไปอยู่วัดอื่นก็ได้ก็สังเกตดูวัดบางวัดมีพระอยู่รูปสองรูปนอะืม ก็อาจจะมีมีเพราะว่าอยู่แล้วมันมันไม่มีพอไม่พอกินนี้ได้แต่หัวหน้าหัวหน้าก็ไม่แบ่งให้ลูกน้องก็อยู่ไม่ได้พระพุพทธเจ้าทันถึงถึงบอกให้ถวายสังฆทานดีกว่าเพราะจะได้มีพระเยอะๆพระทุกลูกจะได้มี ปัจจัยสี่ของใช้จจำเป็นทำให้ท่านมีมีเครื่องสนับสนุนการอยู่ถ้าปัจจัยสี่ไม่พร้อมมันก็อยู่ลำบากจะศึกษาจะปฏิบัติธรรมมันก็ลำบากก็อาจจะไม่ ไ, มได้บรรลุธรรมไม่ได้อะไรก็ลาสิกขาไปถ้าอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะ ศาสนาก็จะเสื่อมได้ mm hmm. พระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จไปโปรดพระราบิดาหลังจากที่ทรงตัดสรุแล้วต่างในวังก็นิมนต์ให้ไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดเวลาไปนีท่านก็เดินเวลาช่วงนี้เดินเข้าวังท่านก็เดินมินทบาตไปใส่บาตให้เดินมินทบาทมีประชาชนคอย อากใส่บาตามทางพระเจ้าพระราชาบิดาก็ถามทหารว่าลวกเรามามาหรือยังเขาก็บอกตอนนี้ท่านกําลังเดินขอทานอยู่ครับเขาเรียกว่าเดินบินลบากเขาเรียกวเดินขอทานอยู่ครับแล้วพอพระเจ้ามาถึงพระเจ้าพระราชาบิดาก็ถามลูกเราทําไมไปเดินขอทานทําไม อาหารในวางมีเยอะแยะไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของของพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหลายการเดินบิณฑบาตเนีย่ยบอกเป็นการเป็นอะไรนะเป็นเป็นธรรมเนียมของโคตรพ่อโคตรแม่อะไรเงี้ย mm hmm. คือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็เป็นทำกันยี่มาทั้งนั้นพระเจ้าพระราชบิดาก็คิดไปพ่อแม่กูก็ไม่มีใครขอฐานสักคน <c oughs> แล้วทำไมลูกเราถึงเมื่อมาอ้างว่าเป็นธรรมเนียมของพ่อของแม่ทำกันมาท่านก็อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์ที่ตัสสรู้เนี่ยท่านท่านถือการบินทบาทเป็นการเลี้ยงชีพกันนั้นพอดีตอนเช้าที่ท่านจะมามาเยี่ยมก็เป็นเวลาบินทบาทท่านก็เลยเดินบินทบาทมาเพราะท่านให้ความสําคัญต่อกิต จการบินทบาตของพระมากท่านเน้นเรื่องการบินทบาตเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมันจะทำให้พระนึ่งไม่ขี้เกียจไม่ลืมตัวให้รู้ว่าฐานะของพระคือผู้ขออยู่ได้เพราะผู้อื่นให้อยู่การให้อยู่ได้ด้วยการให้ของผู้อื่นจะได้มีความรู้อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่หลงไหลคิดว่าตนเองวิเศษวิโสเป็นพระอริยอะไรก็ตามขั้นไหนก็ตามก็ยังต้องเป็นขอทานยังต้องพึ่งผู้อื่นยังต้องอาศัยการให้ของผู้อื่นเป็นการเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็เป็นการหัดไม่ให้เกียดคร้านต้องออกบิณฑบาตต้องเดินอาบในปฏิบัตินี้จะต้องขยนันเพราะไม่งั้นจะ ไม่ได้ปฏิบัติต้องเดินจงกรมจะไม่ไหว้าในเมืองไม่มีในบ้านในเมืองไม่มีทางเดินจงกรมเลยใช่ไหมก็เห็นทางเดินจงกรมในวัดในเมืองมแล้วพระที่เป็นพระที่ไม่ต้องบินนบานี่อ้วนท้วนหมเนื้อหนังนี่มีแต่เนื้อมีแต่หนังแต่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยเนี่ยพระเจ้าเลย ให้ความสำคัญกับการบินเกตการบินธบาต ท, ท่านสอนตั้งแต่วันบวชเลยวันบวชนีท่านพอบวชพระเสร็จนี่ท่านสั่งให้สอนกิจที่สำคัญ4ประการของพระคือหนึ่งการบินธบาตเลี้ยงชีพให้ทําไปจนวันตายเลยสอนให้บินธบาตเลี้ยงชีพไปจนวันตาย แล้วก็ข้อสองก็ให้อยู่ตามโคนไม้สมัยก่อนไม่มีกุฏิไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะศาสนายังไม่เจริญไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าไม่มีกุฏิอยู่นะสมัยที่บําเพ็ญเนี่ยท่านอยู่ตามโคนไม้ตามเงื่อมผาตามถ้าเอาเอามงุงเอาไม้ใบมง้งใบไม้ไ ม, มามงุงมาบางังเป็นเพิงพอหลบแดดหลบฝนได้เ้องะการบําเพ็ญต้องอยู่ในป่าอยู่ในที่เงียบ ก็ไม่มีใครมาสร้างบุติถวายให้อยู่ในป่าเราก็ผ้าเอาผ้าที่เขาทิ้งผ้าห่อศพที่ทิ้งในป่าช้าผ้าบางสกุลแลีวผ้าห่อศพเอามาเอามาตัดมาเย็บมาย้อมเป็นผ้าสีกาสาวัทผ้าเหลืองไม่ได้เป็นผ้าใหม่ สมัยนั้นสมัยิพระเจ้าบำเพ็ญไม่มีใครถวายผ้าจีวร อ, อาหารก็ต้องบินระบาด ท, ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดยารักษาโรคก็ใช้ยาตามตามมีตามเกิดยาสมุนไพรหรื อ, อยาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสาวะอินเดียก็นิยมดื่มน้ำปัสสาวะก็เป็นยารักษาโรคได้ นี่คื อ, อเกียดที่ภ้าภิสูจควรยินดีสิ่งที่ผีผ้าภิกษุคนควรยินดี4ข้อด้วยกันคือข้อบินตบาดเลียงชีพอยู่ต่างโคนไม้ใช้ผ้าบังสกลุลคือใช้ผ้าคี้ริว้วเศษผ้าที่เขาทิ้งเราวไปเก็บมาแล้วก็มาเย็บมาตัดมาต่อให้เป็นพื้นใหญ่ๆ ผ้าจีวรของพระสมัยนี้ยังเป็นผ้าที่มีรอยเย็บตัดต่อกันอยู่เพราะท่านต้องการให้ให้เตือนสติว่าเนี่ยเป็นเหมือนผ้าผ้าผ้าเศษผ้าเอามาตัดมาเย็บเพราะว่าสมัยต่อมาพอพระพุทธเจ้าโด่งดังคนศรัทธามากเห็นพระไม่ผ้าไม่พอใช้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ถวายผ้ากรถินเขาก็เลยถวายผ้าเป็นผับมา ผ้าใหม่ผ้าอย่างดีเลยเพราะวจนะบอกเอาตัดมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนแล้วค่อยมาเย็บมันใหม่เพื่อมันจะได้เป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่าราคาถ้ามันเป็นผ้าผืนใหญ่นี่มันเป็นของมีราคาก็เลยเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มามามามาเย็บใหม่มามาปะมาติดมาต่อใหม่ผ้าดีบวยของผ้าก็เลยจะมีรอยเป็นเหมือนกับคันนาย ท่านเป็ต้องการให้พรใช้ของหรูหล่าใช้ของฟุ่มเฟือยอาจารย์แล้วทาไมทำไมจีวรต้องเป็นสีเหลืองหรือสีคือสีเดิมมันเป็นสีที่มันเป็นสีธรรมชาติไงคือท่านสมัเดิมเขาจะใช้แก่นไม้ต้มกับน้าแล้วก็เวลาซักผ้าก็จะซักด้วยน้ำร้อนเนี่ยเพราะสมัยก่อนไม่มีแฟบไม่มีอะไรก็ใช้วิธีต้มน้ำแล้วก็ เอาแก่นไม้ในยใส่เข้าไปแล้วแก่นไม้มันก็จะออกมาเป็นสี เ, เหลืองๆเดิมทีนีแค่นี้แล้วมันไม่ได้เหลืองแบบนี้ทีนี้นี่มันเป็นการพัฒนามาแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งกลายเป็นสีต่างๆเพราะแต่ละวัาแต่ละอาจารย์ก็อาจจะมีวิธีย้อมผ้าไม่เหมือนกันก็เลยกลายเป็นสีหลายหลากหลากหลายด้วยกัน แต่บางทีนั้นเป็นสีที่ย้อมด้วยแก่นไม้เช่นสมัยนี้เราเคยลองถ้าลองย้อมด้วยแก่นไม้นี่มันจะออกเหลืองอ่อนมากเอาแก่นขนุนนี่มาต้มนะแล้วก็เอาผ้านี่ไปซักในน้ำแก่นขนุนเนี่ยมันก็จะได้สีเหลืองอ่อนๆทีนี้มันอ่อนมันจางเกินไปก็เลยสมัยนี้มีมีพระมีสีสังเคราะห์ก็เลยใส่เข้าไปผสมด้วย ก็เลยออกเป็นสีเข้มหน่อยออกเป็นสีน้ำตาลออกมานีแต่ละสำหนักแต่ละสายของอาจารย์นี้ท่านก็มีวิทย์ท่านก็ถูกตัวอาจารย์ที่เป็นผู้ทำมาทำอย่างไรก็ทําตามกันมาก็เลยแต่ละวัดแต่ละสายก็เลยมีสีไม่เหมือนกันบางทีก็ออกไปตั้งสีแดงเลยก็มี ที่ออกไปทางสีดําเลยก็มีก็แล้วแต่แตที่จะพูดพูดเรื่องบินธบานเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องบินธบานมากพอพระบทใหม่นี่สอนให้รู้จวาหน้าที่ของพระการเรื่องปากเรื่องท้องนี่ให้บินธบานแล้วตัวพระพุทธเจ้าเองก็ถือภารกิจของการบินธบานเป็นกิจวัตร ทุกประจําทุกวันในพุทธกิจ5กิจของพระพุทธเจ้ามี5ประการด้วยกันทุกวันนี้พระพุทธเจ้าจะทําภารกิจอยู่5อย่างตอนบ่ายสอนญาตโยมตอนค่าสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกสอนเทวดา น, นี่ท่านให้ความสําคัญกับการสั่งสอนเพราะที่ท่านอยู่ก็อยู่เพื่อสั่งสอนธรรมะนี้เท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อที่จะมา ทำภารกิจอย่างอื่นมีแต่สั่งสอนแล้วตอนเช้าก่อนจะออกบินธบาตก็เลงยานดูว่าจะไปโปรดไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วก็ออกบินธบาตนี่ก็กิจวัตรประจำที่พระพุทธเจ้าทําอยู่ทุกวันอันนี้ก็บินธบาตก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ทรงมีสอนไว้ในทุดงควัต ตัดวงวัดนี้แปลว่าข้อข้อวัดข้อปฏิบัติพิเศษที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้มันรู้ทำได้เร็วขึ้นคือข้อปฏิบัตินี้มันจะฆ่ากิเลสมีมีกำลังที่จะฆ่ากิเลสได้มากขึ้นถ้าเป็นผงซักฟอกก็เป็นผงซักฟอกชนิดเข้มขน้นแต่ท่านรู้ว่ามันเป็นของที่ยากสาหรับ คนทุกคนที่จะปฏิบัติได้ท่านก็นเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ไว้ในในสีนสองข้อคือทุดงขวัติไม่มีอยู่13ข้อเป็นข้อที่ท่านแนะนำเสนอชวนให้ทำแต่ไม่บังคับถ้าใครอยากจะฆ่ากิเลสได้เร็วๆได้มากๆก็ให้มาถือทุดงขวัติ3ข้อนี เช่นข้อหนึ่งก็ให้บินทบาทให้ถือกิจวัตรของการบินทบาทไม่ให้เลิกไม่ให้หยุดจะหยุดบินทบาทก็ชอบไปเวลาไม่ฉันนั่นนั้นถ้าไม่ฉันหรือป่วยไข้ไม่สบายมา ป, ปฏิบัตินี้ท่านชอบอดอาหารกันถ้าอดอาหารก็ไม่ต้องมาบินทบาทเพราะต้องการอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากจะเอาเวลามาปฏิบัติ เพราะถ้าถ้าบินธบาตอยู่ออกมาก็ต้องเจอญาติโยมนะขับมาฉันก็ต้องมาฉันรวมกันกับพระที่ศาลากว่าจะเสร็จก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมงก็ถ้าไม่ฉันวันนั้นก็จะไม่ต้องมาเสียเวลากับกิจกรรมทางบินธบาตกับฉันที่ศาลาฉันจ็จ ก, ก็ต้องล้างบาตกว่าถูศาลาอะไร ก็วันนั้นก็ปีกไว้อยู่คนเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิได้มากขึ้นแล้วเวลาอดอาหารนี่มันก็ทำให้ขยันขึ้นขยันภาวนาเพราะว่าถ้าไม่ภาวนานี้มันจะทรมานใจมันจะคิดถึงอาหารแต่ถ้าภาวนาทำใจให้สงบนี้มันก็จะไม่คิดถึงอาหารมันก็จะไม่หิวแล้วใจก็จะสงบ มันก็เลยเป็นการบังคับให้ภาวนาถ้ากินแล้วมันจะขี้เกียจภาวนากินแล้วอิ่มมันไม่มันไม่หิวแล้วมันก็อยากจะนอนนอนแทนอันนี้ก็ทูดงขวัตเนี่ยก็มีเช่นให้บินตบาตให้ฉันมือเดียวตามปกตินี่ศีลไม่ได้บังคับศีลนี่บังคับแค่ให้ฉันไม่เกินเที่ยงวันเห็นก่อนเที่ยงวันนี้จะฉันสักกี่ครั้งก็ได้ ภายในเมืองบางทีเช้าก่อนจะบินธบาตก็เอากาแฟก่อนนมปังกาแฟก่อนกลับมาเสร็จแล้วค่อยฉันเช้าบิณธบาตเสร็จฉันชเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงก็ฉันเพลงต่อออิมมีพีมันอันนี้ก็สำหรับพระทวดงก็ท่านก็ถือฉันมือเดียวบิณธบาตกลับมาเสร็จฉันที่สาราเสร็จก็จบ ก, ก่อนจะบิณธบาตก็ไม่ได้ฉันอะไร กาแฟไขาลูกไขาลวกอะไรข้าวต้มข้าต้มนี่ไม่มีพอเช้าออกบิณธบาตได้ก็ไม่บินธบาตเลยแต่พระในเมืองนี้บางทีก่อนจะบินธบาติท่านก็เอากาแฟไข่ดาวก่อนก็ได้แล้วก็ไปบินธบาตกลับมาแล้วก็ว่ากันใหม่จะกินกี่ครั้งก็ได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าถือทูดงควัตวะฉันกินครั้งเดียวนี่ก็ต้องกินครั้งเดียว ไม่ให้กินมากเกินไปเพราะกินมากแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญในการปฏิบัติธรรมกินน้อยเดียวกินในบาทแล้วก็อะไรก็เรื่องกินก็มีแค่นี้มั้งเรื่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องผ้าจีวรก็ให้ถือแค่สามผืนให้ชื้อมีชุดเดียวพอกาก็าจะถวายมากี่ชุดก็ไม่เก็บอาไว้ใช้เก็บไว้ใช้ชุดเดียว มันจะได้ไม่พรดุงพลังไปไหนมาไหนมันจะได้ไม่มีสมบัติมาคอยถ่วงนั้นเดี๋ยวจะไปทุดดงไม่ได้ถ้าอยู่อยู่อยู่ที่วัดแล้วมีคนถวายข้าวของเก็บไว้เก็บไว้ก็มันก็เป็นห่วงข้าวของจะไปก็ไปไม่ได้แต่พวกที่เขาถือทุดดงนี้เขาไม่มีสมบัติอะไรก็มีแค่สมบัติ8ดชิ้นอัถบริขารมีบาทหนึ่งใบ มีผ้าสามผืนมีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งชิ้น1อันมีที่กองน้ำบีมไม้ไม่มโกนมีที่โกนหนวดโกนผมแล้วก็มีเข็มกับได้ไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลามันขาดนี่สมบัติที่พระเจ้าบอกให้พระกวรจะมีมีแค่8ดชิ้นถ้ามีแค่นี้ไปไหนมาไหนมันก็สะดวกสบายไม่ไม่ติดไม่ยึดไม่ติดกับที่อยู่ ไม่มีสมบัติอะไรให้อยู่แบบนกไปแบบนกนนกนี่มันเวลาบินมันไม่ได้มีข้าขวา ข, าของแบกไปด้วยถ้ามีข้าวของแบกไปด้วยมันคงจะบินไม่ไหวเพราะพระต้องไปอยู่ไปปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงบแต่ตอนตอน้นตอนบวชใหม่ๆก็ต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ก่อน ศึกษาครูบาอาจารย์ก็มีพระอยู่หลายรูปก็ต้องมีญาติโยมมามาทำบุญมาอะไรมันก็จะมีกิจกรรมมาก mm hmm. เวลาจะปฏิบัตินี่บางทีต้องไปอยู่คนเดียว mm hmm. ให้ไปปิกวิเวกให้ไปอยู่ที่อยู่ให้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรือนร้าง mm hmm. นี่คือคํามหมายของคำว่าทุดดง คำว่าทุดงนี้เราจะเข้าใจที่ว่าพระเดินบาตรกรดเข้าไปอยู่ในป่าถึงจะธุดงคำจริงชั้นชั้นในบาตนี้ก็ทุดงลนะชั้นมือเดียวนี้ก็ทุดงลนะในการบินตาบาตเป็นกิจวัตรก็เป็นทุดงลนะพระทุดงท่านจะทํากิจกรรมจะทํากิจวัตรเหล่านี้ด้วยเรื่องของบินตบาตนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญมาก หนงเวลาที่ท่านไปโปรดพระราบิดานี้ท่านก็ยังยังบินระบาดหลวงปู่มั่นท่านก็ใช้การบินระบาดนี้เป็นเกจวัตรที่สำคัญท่านจะบินระบาดจนกว่าท่านจะบินไม่ไหวพอท่านอายุมากแล้วแก่แล้วเดินไปถึงหมู่บ้านไม่ไหวท่านก็เดินไปแค่ครึ่งครึ่งครึ่งทางชาวบ้านก็มามาใส่บาตรครึ่งทาง ต่อมาเดินไปครึ่งทางไม่ไหวก็เดินไปที่หน้าวัดชาวบ้านก็มาใส่ที่หน้าวัดต่อไปเดินไปที่หน้าวัดไม่ไหวก็เดินที่ศาลาใส่บาต ท, ที่ศาลาท่านท่านต้องการทำเป็นตัวอย่างให้พระเนนที่มาบวชที่หลังจะให้เห็นความสาคัญของการบิฏบาศเพราะว่ามันเป็นเป็นสัญลักษณ์ของพระพูดง่าย ทำให้มันทำให้เราให้พระไม่หลงตัวไม่ลืมตัวว่าเป็นขอทานนะอยู่ได้ด้วยการให้ของผู้อื่นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกถ้าเขาไม่ใส่ไม่เลี้ยงไม่ให้อะไรก็อดตายอันนี้ก็ทำให้กําจัดไอ้กิเลสตัวถือเนื้อถือตัวอัตตตัวตน ฉันเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระชั้นนั้นชั้นนี้ต้องกินอาหารแบบนั้นอาหารนี้ต้องใช้ถ้วยจานชนิดนั้นชนิดนี้ก็พระในเมืองนี้เขามียศมีตำแหน่งกันเวลาเขาถวายข้าวของให้ท่านต้องมีสำรับมีเครื่องใช้ระดับของท่านใช่ไหมกลายเป็นเรื่องอะไรไปก็ไม่รู้ไม่ได้เป็น ถ้าเป็นพระก็บินธบาตก็ฉันก็ฉันในในบาทไปเลยไม่ต้องมีสำลับไม่ต้องมีถ้วยชามอะไรต่างๆอันนี้ต้องการให้พระ อ, อยู่แบบติดดินไม่ใช่คิดว่าตอนในวิเศษวิโสความวิเศษวิโสนี่มันเรื่องของจิตใจของจิตใจที่ กาจัดความโลภความโกรธความหลงก่อนที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงนี่ก็ยิ่งจะไม่ถือเนื้อถือตัวใหญ่เพราะความหลงนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามาถือเนื้อถือถือตัวกันถือว่าเรารวยกว่าเขาถือว่าเราเก่งกว่าเขาสูงกว่าเขามีตาแหน่งสูงกว่าเขาไอ้พวกนี้มันเป็นความหลงใชม่มันไม่ได้เป็น มั น, นมันไม่ได้ทำให้จิตใจเรามีความสุขหรอกมันทำให้เราจิตใจเราเครียดจะมากกว่าพอเรามีแค่นี้พอเห็นคนอื่นเขามีมากกว่านี้เราก็ไม่สบายใจแล้ะเรามีตำแหน่งขนาดนี้มีคนมีตำแหน่งสูงกว่าเราเราก็ไม่สบายใจแล้ะก็ทำให้เราอยากจะให้มีตำแหน่งสูงกว่าเขามันก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสตันหาไปเรื่องเรื่องภาวะตันหาไป ถ, ถ้าคิดว่าตนเองเป็นขอทานนี่มันก็จะได้ไม่ต้องไปไปดิ้นรนไปแข่งกับใครใช่ไหมอยู่อยู่แบบขอทานเป็นแบบขอทานสบายไม่ต้องหวังอะไรไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนใครจะรวยกว่าใครจะใหญ่กว่าก็ปล่อยเขารวยไปใหญ่ไปเราก็เป็นขอทานของเราไปนะสมัยนี้ วุ่นวายถึงบ้านเมืองไหมจะเป็นสังฆราชกันเนี่ยจะตั้งสังฆราชกันยังวุน่นวายเลยก็ดูอถ้าถือว่าเป็นขอทานก็ก็จบใช่ไหมเราเป็นขอทานเราบิณฑบาต ท, ทุกวันเนี่ยกายจะตั้งให้เป็นสังฆราชไม่ตั้งเราก็ไม่เดือดร้อนไม่สนใจเพราะว่า การมาบวชนี่ไมาหมาวชเพื่อมาเป็นสังฆราชนะลืมลืมจุดหมายเดิมนะคำว่าภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราตทงกคนนี่อยู่ในวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพูดง่ายๆก็คือติดคุกติดตารางดีๆนี่ติดในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ตายแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ ถาเหมือนติดคุกเนี่ยติดคุกคกมีมีกำแพงอยู่4ด้านด้านหนึ่งก็คือเกิดด้านที่สองก็คือแก่ด้านที่สามก็คือเจ็บด้านที่4ก็คือตายมีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันบ้างแล้วตายแล้วมีใครไม่กลับมาเกิดกันบ้างกลับมาเกิดเพียงแต่เราจําไม่ได้ท่านเองแต่พระพุทธเจ้าท่านจําได้ท่านรู้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังมี ตัวที่คอยดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เหมือนในคุกเขามีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้นักโทษออกจากคุกใช่ไหมไอ้ตัวที่ควบคุมไม่ให้พวกเราออกจากคุกแข่งการเกิดแก่เจ็บตายก็คือกิเลสตัณหานี่หนละถ้ายังมีกิเลสมีความโลภมีความอยากอ ย, กอยู่นี่ก็ยังไม่มีวันที่จะหลุดออกจากคุกแข่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ตายแล้วก็ยังอยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะกลับมามี มีร่างกายใหม่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มใหมอนน่อยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่ใหม่ไอตัวนี้ที่พวกเราไม่ฆ่ากันถ้าฆ่าตัวนี้เราก็จะออกจากคุกได้ถ้านักคุกถ้านักโทษนี้ฆ่าผู้ที่คอยควบคุมผู้ต้องขังได้ก็มันก็ออกจากคุกได้แทนที่จะฆ่ากลับไปส่งเสริม ไปสนับสนุนผู้ที่เขาคอยควบคุมเราให้ติดคุกอยู่เขาก็เลยมีกําลังคอยควบคุมเราได้อย่างตลอดเวลาเนี่ยพวกเราส่งเสริมความโลภความอยากกันทุกครั้งที่เราโลภเนี่ยสแสดงว่าเราส่งเสริมมันะ่ะถ้าเราไม่หยุดมันถ้าโลภแล้วอยากไปทําตามความโลภเนี่ยถึงจะเรียกว่าฆ่ามันถ้าโลภแล้วไปทําตามความโลภเนี่ยเรียกว่าส่งเสริมมันสนับสนุนมัน คือความโลภนี่คืออยากได้ของที่ไม่จำเป็นของที่ไม่ต้องมีก็ได้ของที่มีของที่จำเป็นนี่ไม่ถือว่าเป็นความโลภเช่นอาหารนี่พอถึงเวลาจะต้องกินก็ต้องกินแต่ถ้ากินมากเกินไปถึงก็ถือว่าเป็นความโลภแต่กินพออยู่อย่างนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นความโลภเสื้อผ้าต้องมีไว้สำหรับสวมใส่ถ้ามีพอแล้วถ้าอยากได้อีกอันนี้ถึงเป็นความโลภเป็นความอยาก เราต้องระมัดระวังถ้าเราอยากจะออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่เราต้องมาฆ่าตัวนี้ตัวที่คอยควบคุมให้เราติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกเ น, นื้องานนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำเลยใช่ไหมทำไมต้องเที่ยวกันทำไมต้องดูละครกันทาไมต้องอ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทำไมต้องมีแฟนกันไอ้ของพวกนี้แหละทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆดูคนที่เขาไม่กลับมาเกิดเลยเขาถือศินแปดกันนะถือศินแปดสินสิบสิน 10, สองรอยี่ส2บเจ็ดกันะนยพวกนี้เขาเขาพยายามฆ่าไอ้ตัวที่คอยที่จ ะ, ะจับให้ติดอยู่ในโคกของการเกิดแก่เจ็บตาย ถือศีแปดมันก็ตัดกรรมมามตัณหาไปได้เยอะละเบรกความอยากในกามได้จะนอนกับแฟนก็ไม่ให้นอนแล้วนะแต่กินอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้แล้วกินได้แค่เที่ยงวันอาหารเย็นอาหารค่ำไม่ได้แล้วอาหารบ่ายไม่ได้อยากจะกินขนมนมเนยก็ไม่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปแหล่งบันเทิงก็ไม่ได้ ลบมหัศลศพลงภาพยนต์ก็ไม่ได้ไปงานเลี้ยงก็ไปไม่ได้งานแต่งงานงานวันเกิดงานอะไรต่างๆ <c oughs> ไม่ให้หาความสุขแบบนี้ให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วจะมีความสุขถ้าไม่ควบคุมบังคับใจมันก็จะอยากอยากแล้วมันก็จะทุกข์ แต่ถ้ามากควบคุมใจให้มันสงบมันนั่งสมาธิใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันพอหยุดมันได้ใจก็สงบมีความสุขใจก็ไม่ต้องทำอะไรตัดความอยากได้ตัดความอยากได้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากักขังให้เราอยู่ในคุกของพอฆ่าคนที่คอยควบผู้ที่คอยควบคุมผู้ต้องหา ได้หมดแล้วก็สามารถที่จะเอากุญแจมาเปิดประตูดเดินออกจากคุกตารางได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าขาความโลภความอยากต่างๆได้หมดนี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรจะมาขัดขวางให้เราออกจากคุกตารางได้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ยท่านฆ่ากิเลสตายหมดฆ่าตัณหาตายหมดท่านก็เลยไม่มีอะไรมาควบคุมให้ท่านต้องมาติดคุก องการเกิดแก่เจ็บตายท่านก็ออกจากคุกไปได้อย่างสบายไปอยู่ที่นิพพานอยู่นอกคุกนิพพานก็คือที่อยู่นอกคุกนี่เองในคุกนี้เราเรียกว่าวัฏฏสงสารน อ, นอกวัฏฏสงสารก็คือนิพพานนิพพานที่คือที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ทุกเกิดแล้วทุกไหมลนะ่ะต้องหาบ หากินเนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องปากกัดตีนถีบแล้วยังต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอีกทุกกับความสูญเสียทุกกับการพลดพลากจากของสิของที่เรารักจากบุคคลที่เรารักมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นการเกิดเนี่ยความสุขนี้มีนิดๆหน่อยๆมีเดียววเวลาได้อะไรมาก็หลีออกดีใจ เดี๋ยวพอเสียไปก็ร้องหมร้องไห้แต่ก็ไม่เข็ดพอพอเสียอะไรไปก็หามาใหม่เสียอะไรไปก็หามาใหม่ร่างกายเสียร่างกายไปก็กลับมาหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่นี่คือเรื่องคำว่าภิกษุผู้เห็นภัยในวัตตะเป็นพระมาบวชนี่มาบวชเพื่อ ให้ออกจากคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ให้มาหาราบสักการะในสมัยนี้เขาหาตำแหน่งกันนะเป็นเจ้าอาวาสกันเป็นเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเป็นอ ะ, อะไรนะมาหาเทรสมาคม แล้วก็มาเอายอดกันเอาพระโคกันพระโคแล้วก็เอาเจ้าคุณกันเจ้าคุณชั้นสามัญชั้นลาชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จชั้นสมเด็จแล้วก็ชั้นสังฆราชเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่จะออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มาติดในคุกต่อ เป็นสังฆราชในคุกมันเท่ตรงไหนวะสู้เป็นคนธรรมดานอกคุกไม่ดีกว่าเอาไหมอยากอยากได้สังฆราชไม่จัดจับจมไปแล้วให้ไปอยู่ในคุกเอามไหมนั่นแหละเป็นสังฆราชในวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นก็เป็นไม่ได้กี่ปีแล้วอายุตอนนี้ก็แก่ ง, งอมกัไปละเก้าสิบเข้าไป ล, ไปละได้สักกี่ปีกันเห็นไหม เป็นแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรเนพะีงแต่ว่ามีชื่อมีเสียงว่า ไ, ได้เป็นอันีออันนี้ก็อันนี้คุยหนังสองก็เลยเอามัน <c oughs> <c oughs> เอามันยาวเลยก็ พี่บอกพอสมควรแก่เวลาสำหรับช่วงแรกนะก็จะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิตูจินังเปตานาังอุปกัรปติอิจิตังปัติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพารโควินสศตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวทานติ อายุวานูสุขังภาลังจะกลับนิวซีแลนด์เมื่อไหร่กลับสิ้นเดือนเ้าควันที่31บจค่ะที่วัดนี้มีชาวต่างประเทศไปทาบุญบ้างไหมเปล่ามีมีคนสี่ลังกาครับคนสี่ลังกาเป็นคนไทยที่เบสเขาก็ไปร่วมด้วยเจ้าค่ะเราจารยาหนังสือไปไว้ที่วัดหรือเปล่า ฝ<ม>าก ไ, <ด>ไปเอาไปสักชุดได้ไห<ด>มหรือว่าได้คะ่ะถ้าอยากจะไปถวายที่วัดก็ได้เพราะที่นิวซแด์เนี่ยจะมีวัดธรรมยุธเราอยู่สีวัดไหมเจ้าค่าวแรกก็คือวัดยานาปที่ก็วัดที่สองก็คือจากสาขาวัดพรา้าของท่านเจ้าคุณกัพระราษฎรในสิงห์ธรเนี่ยเจ้าการกับหลวงพ่อธรรมบดีเนี่ยไปซัพพอร์ตก่อนท่านจาเนไปอยู่ว่า ใช่ไหมพระจำเนียนหรือเปล่าไม่รู้จักเราไม่เคยไ ก, คก็วัดที่สองก็คือวัดจากวัดปทุมวนาลามคือวัดปทุมรังสีวัฒนารามนี่จ้าค่ะ ท, ที่อีกเมืองหนึ่งในปร ะ, ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็วัดธรมรมมาปฏิที่สมเด็จท่านไปตั้งชื่อให้นะจ้าค่ะชื่อวัดธรรมปฏิที่วรลิงตันเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์จ้าค่ะ มีหนังสือภาษาอั ง, งกฤษจะเอาไปสักสองสามเล่มไหมเล่ไมไม่ต้องไม่มสื้อภาษาอังาากฤษนะเจ้าค่ะสนมากแล้วชาวต่างชาติาก็มีคนสนใจนะเจา้าค่ะที่จะต้องอ่านตรงจุดนี้ส่วนมากจะเป็นคนไทยเราซะมากกว่าเจ้าะเยอะมากที่ด้าสามีที่อยู่ต่างแดนก็จะไปร่วมบนกันได้ง่ยก็ถ้าต้องการเอาไปก็ไปได้นะ ค่อุณมากถ้ามันหนักเอาไปไม่ไหว Planet ก็ไม่ต้องเอาไปเอาเเครื่องเขาก็มีอมีลิมิตแล้เวเราชอบของไปฝากคนทั้งนู้นอีกส่วนมากก็เป็นของใช้ใวนวัดเจ้าค่ะท่านญี่ปุ่นก็ไม่ขนไปเป็นของใช้พวกที่จําเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับศาสนาพธิธีนะเจ้าค่ะ <c oughs> ส่วนมากจะเป็นพวกนั้นเพราที่นู่นหายากมากเพราะ ส่นมากจะพ้นไปจากประเทศไทยเราจ้าค่ะอก็ดีปีนีน้อุซิแลนด์นุ่งเรือมากเลครับอาจารย์สถาบคณะธรรมยุตมีสีวัดมีกระถินหมดทุกวัดเลยป่ะผมมีที่ผ่านมานครับก็ดีถือว่าโชคดีนะครับอืมีอะไรอยากจะถามหนึ่งไหมไม่มีก็ไม่เป็นไร จะฟังต่อก็ได้อยากจะกลับก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องมีถามตอบปัญหาทางตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย <Yeah. S 1> อยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ติดตามฟังได้ใน Facebook กับ YouTube มีสองช่องเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติ YouTube กับพระสุชาติไลฟ์ mm hmm. ก็มีคนติดตามแล้วก็ส่งคำถามเข้ามา เฟซบุ๊กใช้ชื่อพระอาจารย์สุชาติทางยูทูบก็ใช้พระสุชาติไลฟ์ก็เป็นบุญของโยมที่ได้มากับโลูกในเฉพาะวันนี้ก็ขอจัดนมัสการไลฟ์ไลฟ์อาจารยตามสบาย ทางสมาธิไงนั่งสมาธิจิตสงบแล้วก็สามารถติดต่อกับเทวดาได้ อ, อ, อทุกวันนี้หมายถึงว่าท่านคือนักจากเราต้อ่าแล้วท่านประสงค์ว่องค์ไหนที่สามารถที่จะติดต่อกับเทวดาก็สามารถสอนได้ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี่มันก็เหมือนกับเปิดเอ่อเปิดทีวี เปิดเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันก็ติดต่อกันได้แต่ต้องปิดทางตาหูจมูกเิ่งกายก่อนเพราะตอนนี้ถ้าเปิดตาหูจมูกริ่งกายมันก็จะมามันจะเป็นอีกคลื่นหนึ่งเราต้องปิดคลื่นนี้แล้วมันถึงจะเปิดอีกคลื่นหนึ่งได้คลื่นที่จะติดต่อกับคนในโลกทิพย์เราใช้ร่างกายติดต่อกับคนในโลกนี้ถ้าเราต้องการจะติดต่อคนในโลกทิพย์เราก็ต้องปิดหูปิดตาหยุดใช้เครื่องคลื่นนี้ก่อน มันเปลี่ยนช่องแต่พวกเราเปลี่ยนไม่เป็นไงเ<ะ>พราะเรามีแต่ช่องเดียว<ะ>ช่องทางร่างกายช่องทางจิตนี่เรา<ด>เราเราเปิดไม่เป็นเราต้องฝึกนั่งสมาธิแล้วคนนั่งสมาธิก็ไม่ใช่หมายความว่าจะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะทำได้ทุกคนมีบางคนงนั้นที่มีความสามารถอันนี้<ะ>อย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านติดต่อกับเทวดาได้<ะ>ท่านก็สอนเทวดาได้ แต่ลูกศิษย์ของหลวงปูมั่นมีเยอะยะแต่ติดต่อได้นี้มีไม่เกี่อกอันนี้เป็นความสามารถพิเศษไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นพระอาร ห, รหรอันต์ ร, รืไม่เป็นพระอารหรันต์ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ก็ยังสามารถติดต่อได้ถ้ามีความสามารถในทางนี้มาก่อนแต่ต้องทำในสมาธิต้องปิดทางร่างกายก่อน โ ด, โดยทั่วไปจะสร้างกันไหมคะถ้าคุยกันรู้จักกันเขาก็อาจจะเล่าให้ฟังกันเเออในผู้ปฏิบัติแต่ท่านก็ท่านก็จะไม่พูดแบบโอ้อวดหรือพูด ใ, ในเชิงลักษณะที่แล้วคนพูดนี้ก็ต้องมีน้ําหนักคือคนเขาเชื่อถ้าไปพูดแบบคนที่ไม่มีน้ําหนักพูดนี้เขาก็จะไม่เชื่อได้ดังนั้นคนที้ก็จะพูดเรื่องนี้เขาต้องเขาเรามาระวัง แล้วต้องมีเหตุให้เขาพูดเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุเขาก็ไม่อยากจะพูดพูดไปมันก็ไม่ได้อะไรเอา้ามาทาง u ู u ู e มีวันนี้มาเท่าไหร่วันนี้ YouTube มี40คนครับตอนนี้ไม่มายางไม่ชนาชาลันไม่มาครับยังไมแล้วทางเพซอะ่ 300, 40, 40, ะ340ค่ะบ340มีปัญหามีคำถามไม่อยู่ u t u b e ยังไม่มีครับ อรอเดียวนี่เข้ามาอ่ะเข้ามาคนนี้วันเกิดลูกชายหลวงพ่อุธเ้าอ่าก็เลยผ่าพามาสักการะหลวง่อุธเจ้าเพื่อที่ส่ดมคลก็ได้ขอบคุณนะยี่ไปหยุดจนไม่ีอยู่ลยแล้ว อส่บาทตอน5บิ๊กซีครับอ๋อตอนเช้านะใช่แต่ผมก็มาอยู่เรื่อยๆทุกเช้านี่ครับมาจากเมืองชนมาใส่บาทเลยเลยใช่ครับออกมาตั้งแต่กี่โมงอ่ะบ้านตีห้าอ๋อผ้าแถวบ้านก็มีเยอะแยะใช่ก็เราก็ได้บุญเหมือนกันนะบุญเกิดจากการเสียสละของเราครับ กับใครเราก็ได้บุญเหมือนกันพระทุกรูป ก, ก็มีปากมีท้องเหมือนกันก็ <c oughs> ต้องกินเหมือนกัน <c oughs> ต่างกันตรงที่ว่าเราจะได้ธรรมะจากท่านหรือไม่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราใส่บาตรเฉยๆแล้วไม่ได้คุยมันก็เหมือนกันะจะใส่กับคนที่มีธรรมกับใส่กับคนไม่มีธรรมมันก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากคนที่มีธรรมเราก็ต้องมาฟังธรรม อย่างวันเนี้ยมาที่นี่ตอนเช้าใส่บาตก็จะได้บุญที่เกิดจากการให้การฟังธรรมนี้ก็จะเป็นบุญอีกแบบหนึ่งเป็นบุญที่สําคัญกว่าเป็นบุญที่ดีกว่าเพราะธรรมเป็นแสงสว่างตอนนี้เราเหมือนอยู่ในที่มืดเรามองไม่เห็นอะไรถ้ามีแสงสว่างเราก็จะเห็นอะไรต่างๆได้ตอนนี้เราไม่เห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่ว เห็นน้วโลกเห็นสวรรค์เนียเรามองไม่เห็นกันเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีกันหรือว่าเห็นเห็นสิ่งที่ดีว่าไม่ดีหรือเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าดีเนี่ยอยู่ในที่มือมันจะเป็นแบบนั้นเพราะมันไม่รู้มันมองไม่เห็นมันก็เลยคว้าอะไรมาได้จับก็อันนี้ดีนะอย่างว่าอย่างี้แต่ที่ไหนได้กลายเป็นงูพิษโดยที่ไม่รู้เสพตัวขึ้นมา แต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมมันก็จะมีเหมือนปัญญามีแสงสว่างทําให้เราเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเห็นอะไรเป็นทุกข์เห็นอะไรเป็นสุขเชนบายยมุกนี่พโคตเจ้าเห็นว่าเป็นทุกข์นะพวกคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างจะเห็นว่าเป็นสุขกันคนที่เสวบอบายยมุกนี่เขาบอกมันสุข嘛ะดือมสุราแล้วมันสุขนะเที่ยวแล้วมันสุขน เล่นการมานานแล้วมันสุกแต่มันไม่เห็นตอนที่มันหมดเนื้อหมดตัวตอนที่มันทุกข์กันเพรเอาใบมุกมันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีจกจะเสียเล่นการมานานคิดว่าจะได้เวลาได้ก็อยากจะได้ก็เล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกแล้วก็ หมดมีสมบัติอะไรก็ขายเพื่อมาเล่นต่อเพื่อจะได้เอาคืนขายหมดขายทุกอย่างขายสมบัติขายบ้านขายที่ดินแต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมก็จะรู้ว่าอันนี้แหละเป็นตัวนำสู่ความหายยนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยการพ น, นันนอกจากเล่นกันแบบสนุกสนุก มาไม่นานก็เแบบเพื่ารปีใหม่ทดปีด้วยอะไรได้ น, นี่แหละว่ามงคลอยู่ที่รู้รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่าไปเกี่ยวข้องกับไบายามุกอย่าไปทําบาปมันได้ไม่คุ้มเสียทําบาปนี้มันคนที่ทํากันเพราะคิดว่าทำแล้วได้อยากจะได้อะไรถ้าไม่ได้ทําบาปมันจะไม่ได้ก็เลยทําบาป แต่มันไม่รู้ว่ามันมีโทษตามมาต่อไปยันอย่าไปคิดว่าได้เราจะทําบาปแล้วได้เราจะมีความสุขทําบาปแล้วมันจะมีความทุกข์ตามมามีโทษตามมายันอย่าไปทําบาปเห็นอะไรอยากได้ก็อย่าไปขโมยเข้ามาอย่าไปช่อโกงอยากจะได้ก็หามาโดยวิธีที่สุดจริตไม่ช่อโกงแล้วมันจะไม่มีโทษ อยากจะได้แฟนก็ไปขอพ่อแม่เขาแต่งงานกันเรียบร้อยก่อนให้อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันก่อนอย่าไปประพฤติผิดประเพณีการอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ได้ถูกต้องตามประเพณีนี่ก็ถือว่าบาปนะอยากจะมีแฟนอยากจะมีภรรยาก็ไปสู่ข อ, อกันให้ถูกต้องตามประเพณีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสุขดี ก, กว่าไปชิงสู่ก่อนหามแล้วก็มาปวดหัวกัน ยกนี้บางทีเรียนหนังสือไม่ทันจบเอาท้องซะก่อนแล้วเรียนต่อไปไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็เดือดร้อนเลี้ยงลูกแล้วต้องมาเลี้ยงหลานอีกไอผู้ชายมันก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะมันไม่มารับผิดชอบด้วย <c oughs> ปัญหาต่างๆมันตามมาเพราะมองไม่ไกลมองแค่สั้นๆบองว่าเออสนุกอยู่เรื่องกันหายเหงามีความสุข แต่พอมันท้องขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาต่างๆตามมาของพวกนี้ทางศาสนาจะคอยสอนในหะอย่าให้ทำอย่าประพฤติผิดประเพณีประมาณ น, นี้มันถือเป็นปกติแล้วเมื่อก่อนนี้เราแต่งงานกันก่อนถึงจะอยู่ร่วมกันแต่นี้มันอยู่ร่วมกันก่อนแต่งเราต้องลองก่อนถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องแต่งให้เสียเวลา<ช> <laughs> มีซองเปล่าเนั่นน่ะใส่ซองเปล่า e ใส่ไว้ในกล่องนี้เลยแล้วมีหนังสือซีดีแจกนะถ้าต้องการก็หยิบเอาไปอ่านได้เนี่ยถ้าเอาไปต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านก็อย่าเอาไปไม่บังคับแต่แต่ถ้าเอาไปบังคับให้อ่านวางเอาไว้อ่าเอาแค่นี้ก่อนนะ อันนั้นซีดีจะเอาไปฟังก็ได้ถ้าอยากจะฟังแต่ธรรมะนี่มันเป็นยาขมนะโยมมันไม่อร่อยเหมือนขนมได้ช่องเลยนะเลยวจะให้ช็อกโกแลตคืนไปสักอันเอาไมเอาไปลองกินดูั้ยจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยอันนี้จะขมนะ อ่า <c oughs> <c oughs> มาทามเฟซบุ๊กนะเข้ามาคำถามจากผู้ประสงค์ออกนามได้อ่านข้อความหนึง่งเขียนว่านิพานเป็นมิพานจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ได้เป็นทางอัตตาไม่ได้เป็นทั้งอนัตต า, ตากับขอความเมตตาพระอาจารย์แสดงความเห็นเจ้าค่ะ เราก็เห็นอย่างนี้แหละก็นิพานก็คือนิพานนิพานไม่ได้เป็นอัตตานิพานไม่ได้เป็นอนัตตาสิบป่าว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นหรอกนี่ถึงไม่อยากจะพูดพูดกับคนตาบอดพูดไปก็เหนื่อยเปล่ า, าสีเขียวเป็นไงสีแดงเป็นไงคนตาบอดมันจะแยกจะอธิบายมันฟังไงสีเขียวสีแดงมันร้อนสีเขียวมันเย็นพูดอย่นี้มันเข้าใจไหมัมนจะเห็นสี สีเขียวสีแดงตามที่พูดไม่มีวันที่จะเห็นได้แล้วคาว่านิพานก็แบบเดียวกันนี่แหละอย่าไปพูดเลยของพวกนี้บางอย่างมันพูดไม่ได้พูดไปก็เสียเวลาพูดวิธีทำให้เห็นดีกว่ า, าทำทานรักษาศีลภาวนาไปเดี๋ยวก็เห็นนิพานเองคำถามจากคุณพิมพรเวลาที่เราได้ทำลงทานจิตของเราเป็นกุศลแล้ว ถามว่าบุญลงทานนี้จะได้รับมากกว่าบุญอื่นอื่นไหมเจ้าคะก็เป็นการทําทานเหมือนกับใส่บาตรเหมือนกับให้ข้าวให้ของคนนั้นคนนี้เป็นทานไงเป็นการให้ตอนที่สองก็คือจะได้มีคนให้เราบ้างในอนาคตเราก็จะมีคนให้เราให้เขาแล้วเขาก็จะให้เรากลับมาจะไม่เวลาให้ของขวัญใครแล้วเขาให้ของขวัญกลับมาให้เราปะ ใช่ไหมปีใหม่นี่เราได้ของขวัญกันใช่ไหม<ช>เราให้ของขวัญเขาพอให้เขาเขาก็อยากจะให้เราถ้าเราไม่ให้เขาเขาจะให้เราปะคําถามจากคุณจริระวรรณช่วงปีใหม่ไปเยี่ยมญาติและคนรู้จักแล้วเขาเลี้ยงฉลองกันอยู่เขาเหล่านั้นก็ขยันขยอให้ดื่มพยายามปฏิเสธแต่ก็ถูกขอร้องอีกเลยดื่มพอไม่ให้เสียน้าใจ แต่ไม่ถึงกับเมาขาดสติแล้วก็พยายามขอตัวกลับแต่ปกติเป็นคนไม่ชอบดื่มค่ะปกติไหว้พระสวดมนต์แต่พอดื่มไปแล้วมีความรู้สึกว่าสีไม่บริสุทธิ์พอจะไหว้พระสวดมนต์ตามปกติเกิดความคิดขึ้น่อสองอย่างค่ะคือคิดว่าสีไม่ครบไม่ควรปฏิบัติควรรอให้สีครบก่อนอีกความคิดคือระบบห่องตรงไหนให้พยายามแก้ส่วนไหนทําได้ก็ทําไปอย่างไหนถูกต้องคะอย่างหลังนี่แหละ มันจะไปรอให้ศีลครบได้ไงความจริงศีลมันครบที่ไม่ครบพ่อเราไปทํามันผิดไงพอเราไม่กินเหล้าปั้มมันก็ครบอยู่แล้วพอเราไปกินมันถึงไม่ครบถ้าเราหยุดกินเราก็ได้ศีลเราก็ครบเหมือนเดิมครับถามจากคุณซีนีถ้ายังเป็นคารวาหาเงินหาทองอยู่ควรทําทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะสละเรือนออกบวชได้ใช่ไหมครับ ส่วนศีลภาวนาก็ทำเต็มที่ในฐานะผู้คองน้ำไปก่อนคือการทำทานนี่ก็อยู่ที่อยู่ที่ว่าเรามีเงินทำหรือเปล่าถ้าเรามเาีเราก็ทำได้ดีกว่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆเพราะมันเป็นโทษเอาเงินมาทำทานจะดีกว่า เอาเงินไปเที่ยวกับเอาเงินมาทำบุญนี่เอาเงินมาทำบุญจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าไม่มีเงินจะไปเที่ยวไม่มีเงินทำบุญก็ไม่ต้องทำถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องมีใช้ก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นไปข้อที่สองผู้ที่ได้โสดาบันมาก่อนถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่จะไม่กลัวเจ็ดกลัวตายโดยอัตโนมัติเลยไหมคบ หรือต้องเห็นตนเองหรือคนที่รักเจ็บตายก่อนจึงจะระลึกได้คะอ๋อถ้าเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาก็ไม่กลัวเมือ่อเมื่อเขาปล่อยวางร่างกายได้แล้วเขาไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเขาก็ไม่กลัวเขาก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนข้อที่สามการฝึกมรณานุสติบ่อยๆคิดทุกว่ะ คิดทุกกรณีว่าจะตายแบบไหนกรณีถ้าตายจะเกิดกับเราแล้วเช่นกรณีอุบัติเหตุรถตู้ชนกระบะไฟท่อถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราฝึกพิจารณาความตายบ่อยๆมาก่อนเราควรจะวางใจดูร่างกายเราถูกเผาไปเลยหรือไม่อยากให้มันตายวางใจอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะถ้าไม่อยากให้มันตายก็ ก, ก, ก, ก็ทุกข์กสิถ้าปล่อยให้มันตายก็จะไม่ทุกข์ คำถามจากคุณมิตาเมื่อก่อนมีความอยากทำบุญมากๆเหมือนหิวข้าว <c oughs> เหมือนอดอยากแต่พอเข้าไปบวชชีแล้วสึกออกมาความรู้สึกนั้นมันหายไปทุกวันนี้รู้สึกเฉยๆอยากสงบอย่างเดียวเกิดจากอะไรคะเพราะว่าบุญหรือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้มันมันดีกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานนั่นเองก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม ไม่สนใจกับเรื่องการทำทานสนใจกับเรื่องการทำความสมมงบคำถามจากคุณอดิสรกับผมจะตื่นมาหน้าสมาธิตอนตีสามกว่าทุกวันยกเว้นบางวันที่เหนื่อยกับการทำงานจะไม่นั่งอยากถามหลวงพ่อว่าบางวันนั่งได้นานไม่อยากจะลุกจิตริ่มสงบเวทานาน้อยแต่บางวันนั่งได้ไม่นานไม่ถึงชั่วโมง ก็เกิดเวทนาใจอยากจะออกอยากจะลุกอย่างเดียวพยายามภาวนาพุโทโธก็แล้วจะทำอย่างไรถึงจะควบคุมไม่ให้เกิดอาการังกล่าวครับมันก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่เราผ่านมาในวันนั้นบางวันก็มีเหตุการณ์วุ่นวายมีเรื่องมีราวมากทำงานเหน็ดเหนื่อยมากเวลามานั่งมันก็จะนั่งยากบางวันไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมาก เวลานั่งมันก็จะนั่งได้สบายอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันถ้าอยากจะนั่งแบบสบายๆก็อย่าไปทำงานสิถ้าเราไปปีกเวกอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยกับการทางานไม่วุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการต่างๆคนที่เขาตัง้งต้องการจะปฏิบัติเขาตึ้งไปบวชกันนะ พอไปบวชแล้วมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายทางด้านจิตใจเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทางางทางด้านร่างกายก็เลยจะทำให้การนั่งสมาธิการทำใจให้สงบนี้มันง่ายกว่าและทำได้ดีกว่าคาถามจากคุณชวนบุญจากการนั่งสมาธิภาวนาถ้าอุทิศให้หมู่ญาติผู้ร่วงลับเขาจะสามารถรับได้ไหมครับ ถ้ามีก็คงจะรับได้นกลัวมันยังไม่มีเหมือนกับนั่งสมาธินี้ไม่ได้มายคามว่าจะมีมีมีผลทันทีนะถ้านั่งแล้วมันไม่สงบนี่มันก็ยังไม่มีผลเนหะมือนกับปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้มันก็ปลูกแล้วแต่ปลูกปั๊บนี้มันออกดอกให้ออกผลให้เราไม่อย่างเราจะต้องคอยรอเวลาให้มันโตขึ้นมาก่อนแล้วออกดอกออกผลก่อนนะอาการนั่งสมาธิของเราเนียถ้าจิตไม่รวมไม่สงบมันจะเอา อามันจะเอาบุญที่ไหนไปอุทิศให้กับคนที่ร่วงลับไปแล้วคำถามจากคุณสุรจิตถือศีลห้าแล้วเพอรฆ่าสักว์กับไม่ได้ถือศีลห้าแล้วเพอคฆ่าสัตว์แบบเท่ากันไหมครับอา่าเท่ากันมันก็เป็นการกระทำอันเดียวกันผิดเหมือนกันคำถามจากคุณกัน เทวดาสามารถปฏิบัติจนสําเร็จมรรคผลมีพานบนสวรรค์ได้หรือไม่คะได้ถ้าเขาปฏิบัติถ้าเขาปฏิบัติต่อเขาก็เขาก็ปฏิบัติได้แต่เขามักจะไม่ปฏิบัติกันเพราะเป็นเทวดามันสุขมัน ส, นสบายมันมีความสุขมันก็เลยไม่เดือดร้อนก็คงจะไม่ได้ปฏิบัติกันแต่ถ้าปฏิบัติก็กปฏิบัติได้ เาการปฏิบัตินี่มันปฏิบัติที่ใจไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกายเทวดาก็ยังมีใจอยู่ยังมีกิเลสอยู่ในใจถ้ากิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วตัดกิเลสได้มันก็ปฏิบัติไปได้ถ้ากิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ตัดมันก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัตินะคําถามจากคุณอ้อย การปฏิบัตินั้นจําเป็นไหมคะต้องยืนเดินนั่งนอนให้เสมอกันตลอดไปหรือเราปรับเอาตามสภาวะที่เกิดในแต่ละครั้งคือการปรับอริยาบทของร่างกายนี้เพื่อประครับประคองร่างกายไม่ให้มันพิกลพิการถ้าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆมันจะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนอิเลีบทตามความเหมาะสมต่อ ต่อความต้องการของร่างกายเดินบ้างเดินแล้วเมื่อยก็นั่งบ้างเมื่อยแล้วก็ยืนบ้างนอนบ้างมันอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายที่เราต้องอต้องต้องปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายนี้ไม่ชำรุดชุดโสมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการแต่เวลาภาวนามันเหมือนกันหมดอยู่ในท่าไหนก็พุโทโธได้ถ้าเราอยู่ในขั้นสติแล้วก็พุโทโธได้ทุก ทุกท่านอนก็พุโทโธยืนก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธเดินก็พุโทโธทําอะไรก็พุโทโธไปได้แต่ถ้าจะทําใจให้สงบมันต้องนั่งถึงจะสงบถ้าจะทำเขาถึงเรียกว่านั่งสมาธิกันเดินจงกรมนี้มักจะใช้กับการจเจริญสติพุโทโธหรือใช้กับการจเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายพิจารณาอวัยวะอาการสาสิบสอง พิจารณาดินน้ำนมไฟพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายอันนี้ก็มักจะทําในท่าเดินกันเวลานั่งก็ต้องการให้จิตนิ่งก็ไม่พิจารณาก็จะพุโทโธหรือดูลมหายใจเพื่อให้จิตสงบเพราะเราต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะฆ่ากิเลสได้ต้องมีสมาธิดังนก็ต้องมีปัญญามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ คำถามจากคุณวิทย์ทำสมาธิจิตสงบแล้วลืมตาขึ้นพอรู้ตัวสำรวจตาจริงๆยังหลับตาอยู่เป็นอาการสมาธิแบบไหนต้องทำอย่างไรต่อไม่รู้เหมือนกันลืมตาแล้วยังเห็นหลับตานี่ไม่รู้ลืมยังไงนะลืมตาแล้วยังเห็นตัวเองหลับตาอยู่นะแล้ ว, <c oughs> ลว อ, อะไรไมาเห็นนะเห็นตาตาที่ลืมเมื่อตาที่หลับมันลืมแล้วมันจะหลับได้ยงไงวะ ค <c oughs> ำถามจากคุณนัปพัดได้ฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วนั่งสมาธิได้นิ่งขึ้นเวลาปวดเมื่อยก็สามารถนั่งทนได้จนกว่าจะหายเพราะเรากำหนดที่ลมเข้าออกยึดหลักที่อาจารย์สอนว่ากายกับจิตคนละส่วนเลย อ, อยากถามอาจารย์ว่ามีซีดีสอนนั่งสมาธิแบบภาษาอังกฤษไหมเจ้าคะพอดีแปลนเป็นคนต่างชาติค่ะ ก็มีเทศเนี่ยในยู u ูบเข้าไปดูพระสุชาติไลฟ์เนี่ยก็มีแสดงธรรมทุกวันมีมีช่อง YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าดัมมะอิ n อังกฤษนะ Dhama in แล้วก็ English Dhamma in English เสิร์ชเข้าไปใน YouTube แล้วก็จะเจอชื่อพระสุชาติก็เข้าไปดูจะมีเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะมีคำถามคำาตอบต่างๆเหล่านี้แหละข้อที่สองเราถือสินแต่ที่บ้านในวันพระและปูเสือนอนในห้องพระได้ไหมคะได้คำถามจากคุณสมชัยผมให้ทานรักษาศีล<ม>เจริญภาวนา<ม>และตั้งใจจะทำไปตลอด หากตายไปจะลงอบายภูมิหรือไม่ครับอถ้าไม่ทำบาปเลยรักษาสีหน้าได้ตลอดเวลาก็ไม่ไปตอนนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วเลยเดี๋ยวรอให้พิมพ์เข้ามาก่อนนีอะไร ก, กถามไหมอันนี้ยังไม่ทันทำงานเลยวันนี้ไม่ต้องทํ า, ทาวันนี้เป็นวันเกิด อ า, อายุเท่าไหร่ละยี่ิเจ็ครับยิบเจ็แล้วเลี้ยนจบว่าสิเลี้ยนจบนะบจบจากที่ไหนมาจุฬา ค, ครับาจุฬาอ่าแล้วทางานแล้วเลยครับก็ทำหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านครั บ, บ<า>ออกแบบบ้านนี้เลยจ้ะทำ ท, ทั้งออกแบบทั้งสร้างทั้งขายเลยอ๋อเป็นกิจการของเราเลยเลยใชครับอาทาากับคุณพ่อคุณแม่เรวทำของเราเองทำของเราเองเก่งนะอืมก็ยัง ยังตะกุกตะกักเยอะอยู่ครับยังก็เหมือนเหมือนเด็กหัดเดินใหม่นะยัง้มลูกคุปกานอยู่ใช่ครับก็ยังไม่เลยครับยังไม่มีประสบประการับยังต้องศึกษาไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะชํานาญเองเหมือนหัดขับรถใหม่ๆก็ตะกุกตะกักขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็จะเก่งเองอย่าให้ท้อแท้ก็แล้วกันพยายามอดอดทนต่อสู้ไป ช่วยด้วยความถูกต้องนะอย่าไปชูด้วยความไม่ถูกต้องอย่าไปเสี่ยงกับการทาผิดกฎหมายทำบาปนอกจากเป็นเรื่องของการไหลไปตามกระแสน้ำอันนี้ก็ต้องทำไปก็มันเป็นอย่างนี้ต้องหยอดน้ำมันก็ต้องหยอดถ้าไม่หยอดมันก็ไม่เคลื่อนอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทำทุจริตมันเป็นเรื่องของ เรื่องของสังคมถ้าเราอยากจะทำกิจกรรมในสังคมบางทีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ต้องเสียถ้าไม่เสียก็ได้ไม่อยากเสียก็ได้แต่มันอาจจะตะกุกตะกักไปเรื่อยๆมันไม่ไหลลื่นมีครอบควรวแล้วเหรอยังครับยงอยากก็มีกลยหวดไหมยังเลยครับยัง เครู้เรื่องวัดน้องไม่เคยเข้าวัดเคยศึกษาธรรมะบ้างหรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็ถ้าจะถามว่าฝึกจริงๆไม่เคยฝึกแบบว่าจริงจังแบบว่าไปบวชหรือไปอะไเพราะว่าเหมือนเหมือนเน้นว่าเราผมไม่ค่อยอ่านหนังสืออะไรเทจะเน้นฟังเน้อะไรมากกว่าแม่เขาเนี่ชอบธรรมะอยู่แล้วออครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดบางคนที่ไปบวชหรือว่าอะไรแล้วไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติจริงๆบางคนนะฮะ หมือนบางทีเขาก็เราก็รู้สึกบาปนะฮะถ้าเราไม่ได้ทําเต็มที่กับตรงนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ครับเราอย่าไปมองคนแบบนั้นสิ <c oughs> เรามองคนที่เขาบวชเขาปฏิบัติอย่างเต็มที่สิจ <c oughs> ากนี้นเะมันก็จะมีข้ออ้างองนี้นเราก็อย่าบวช ด, ดีกว่าอื <c oughs> เรามองคนที่เขาบวชแล้วก็ได้รับผลจากการบวชสิดูหลวงปู่มั่นหลองครูบาอาจารย์ต่างๆมองต้องเอามองตัวอย่างที่ดีสิ ตัอย่างที่ดีมองไว้เพื่อให้รู้ว่าเราอย่าทําแบบนี้ครแต่อย่าไปเอามาเป็นข้ออ้างว่าออถ้าเราบวชแล้วทาแบบนี้เราอย่าบวช ด, ดีกว่านี่มันก็ไม่ได้บวชซะทีเราต้องบอกว่าถ้าเราบวชเราก็ต้องพยายามทําให้ได้มันก็ไม่ยากเยินอะไรแต่การบวชนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องทําในขณะนี้การบวชนี่มันน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราบวชจริงๆนี่ไม่บวชแล้วมันไม่เสื่อกันเข้ออาใจไหม ถ้าบวชแล้วเสกก็อยากยากไปบวชอะไรก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาไปปะปะส่วนหนังสือธรรมะไปอ่านแล้วเอาไปปฏิบัติโดยที่ไม่บวชจะดีกว่าเพราะถ้ามาบวชช่วงสั้นๆมันจะหมดเวลาไปกับการหัดอยู่แบบพระว่าอยู่กันยังไงบินตาบาทยังไงห่มผ้าอย่างไรไหว้พระสวดมนต์อย่างไรเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัตินี่ยไม่ค่อยมี ออจะรู้จักวิธีหอมผ้ารู้จักวิธีกินอยู่แบบพระก็ถึงเวลาเสร็พอดีถ้าบวชสั้นๆอย่าไปบวชเลยก็ซูปเอาหนังสือธรรมะไปอ่านแล้วก็ไปปฏิบัติเลยจะดีกว่าเพราะการมาบวชพระนี่ขั้นต้นต้องรู้จักวิธีอยู่แบบพระก่อนต้องรู้จักหมผ้ารู้จักบินธบาทรู้จักกิริยาการของพระว่าจะต้องทำตัวอย่างไร อันนี้มันก็จะเสียเวลาพอสมควรช่วงแรกๆมันจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอะไรแล้วพอถ้าบวชแค่สั้นๆเดือนหนึ่งสิบห้าวันนี้พอจะรู้จากวิธีห่ ม, หมผ้าก็รึกพอดีส่วนสิบห้าวันนี้ไปอยู่เป็นซื้อศีนแปดแล้วปฏิบัติเลยดีกว่าอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เดินเจ้ากรมนั่งสมาธิจะได้จะได้เนื้อหนังกว่า ถ้าบวชเนี่ยมันจะได้เปลือกได้รู้จักพิธีห่มผ้าพิธีกรรมต่างๆขอขมาลาโทษขอนิสัยขออะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนของการอยู่แบบพระต้องอยู่กันแบบไหนแต่จะไม่ได้มีเวลาไปศึกษาไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจั ง, จงสู้ไปอยู่วัดถือศีลแปดเลยไม่ต้องไปทำภารกิจของพระ อ่านหนังสือแล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรก็เดินทาไปเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรไปเอาเข้าถึงตัวเนื้อเลยไม่ต้องผ่านตัวเบือกถ้าจะบวชก็ถ้าจะบวชยาวบวชนานบวชไม่เสร็จก็ค่อยบวชอย่างนั้นดีกว่าถ้าบวชแล้วเสร็จก็อย่าไปบวชเลย <c oughs> ได้ไร ก็ได้ถ่าายูครนคบวำถามจากคุณเพนจันทร์เราจะมีวิธีส่งบุญไปยังบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างไรบ้างคะวิธีง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คือเนี่ยทาถวายเอาใส่บาทแล้วก็อุทิศได้เลยทำบุญแล้วก็อุทิศได้เลยวิธีรักษาศีลนั่งสมาธินี่มันยาก แล้วไม่รู้ว่าได้ผลหรื อ, อยังก็ไม่รู้แต่ทําบุญปั๊มนี่มันได้ผลทันทีได้เสียสละและ้วใจก็มีความสุขแล้วค่าคำถามจากคุณจางปานะฮะเออใน facebook นะครับดิฉันเคยชวนพระทําบุญแล้วบอกท่านช่วยหาด้วยแต่มีคนบอกว่าห้ามใช้พระดิฉันเคยฉันเคยฟังเทศฟังพุทธการมีหญิงคนใช้ของนาง นางสามาวดีเคยใช้พระอรหันต์ปักผมให้พระท่านเมตตากลัวตกนรกเลยทำให้ชาติชาตินี้เลยเกิดมาเป็นคนใช้ที่ฉันเลยกลัวค่ะที่ฉันจะบาปไหมครับเพราะเคยบอกท่านช่วยหาซองทาบุญเพราะอยากได้เงินเข้าวัดค่ะไม่ควรหรอกไม่ควรที่จะไปบอกให้พระทำนู่นทำนี่เพราะพระเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วพระเข้ามาบวชเพื่อมา ปฏิบัติมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อมาทำลายกิเลสตัณหาเรื่องการทำบุญนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของญาติโยมญาติโยมมีเงินมีทองก็ทำไปตามกำลังอย่าไปทำด้วยความโลภถ้าทำด้วยความโลภมันไม่ได้บุญมันได้กิเลสเหรอเหรเรามีเท่าไหร่เราก็ทำของเราไปเท่านั้นไม่ใช่เรามีร้อยแต่อยากจะทำแสนหนึ่งก็เลยไปขอร้องคนน้นคนนี้ให้ช่วยห จากทองให้อะไรทำนองนี้เพื่อจะได้เงินแสนมาเงินแสนที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นของเราเวลาทำบุญเราก็ไม่ได้บุญจากเงินแสนนั้นเราก็ได้เงินร้อยของที่เรามีอยู่เท่านั้นแหละนันอย่าไปดูที่ตัวเลขดูที่กำลังของเราเรามีมากมีน้อยเราก็ทำไปตามกำลังของเราเราอย่าไปรบกวนคนอื่นนอกจากเขายินดีอยากจะมาช่วยเหลือสนับสนุนเรานี่ก็ ก็อนุโมทนาได้เช่นเขารู้ว่าเราจะทำบุญแล้วเขาขอร่วมบุญอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปอย่าไปห้ามเขาอย่าบอกว่าไม่ได้บุญนี้ของผมคนเดียวคนอื่นมาร่วมไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ถูกเองบางทีเขามีเงินน้อยเขาไม่สามารถทาบุญใหญ่ได้เช่นถวายภาพป่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเขารู้ว่าเราเป็นเจ้าภาพถวายภาพป่าเขาขอร่วมบุญเงี้ยเอาเข้ามาไม่เป็นไร ไม่ใช่ว่าพอเราทําบุญก็ต้องเป็นของเราคนเดียวคนอื่นร่วมไม่ได้แล้วเงินไม่พออยากให้คนอื่นมาร่วมก็ไปขอเขาไปรบกนเขาอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ทําไปตามกําลังของเรา <c oughs> เพราะบุญมันอยู่ที่เป็นของของเราถ้าเงินของคนอื่นมาร่วมมันเราไม่ได้บุญส่วนนั้นเอส่วนนั้นก็เป็นของคนที่เข้ามาร่วมของใครของมันนั้นทำเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้น่ะถึงแม้ว่าเรา ถึงว่าเราทำของเราพันหนึ่งแต่พระป่ารวมกันเราได้หมื่นหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ได้บุญแค่พันเดียวเท่านั้นแหละอีกเก้าพันก็เป็นของคนที่เข้ามาร่วมกันเนั้นอย่าอย่าไปใช้พระเพราะว่าพระท่านไม่มีหน้าที่ที่จะมาหาเงินมาทำบุญท่านมีหน้าที่มาศึกษาหาธรรมะเพื่อที่จะได้บรรุธรรม แล้วเมื่อท่านบรรุธรามท่านก็จะได้มาสั่งสอนญาติโยมต่อไปนี่คือหน้าที่ของพระพระท่านได้ทำบุญของท่านหมดแล้วท่านมีเงินทองเท่าไหร่ท่านสละไปหมดแล้วทีนี้ท่านไม่ต้องทำทาบุญแล้วการทำบุญนี่เพื่อให้ท่านได้ไปบวชกันเข้าใจไหมการทำบุญนี่เหมือนถอนสมอเรือเราจะเอาเรือออกจากท่าได้นี่จะให้เรือวิ่งไปไหนมาไหนได้นี่ต้องถอนสมอก่อน ถ้าไม่ถอนมันก็ไปไม่ได้ถ้าเรายังติดอยู่กับเงินทองแล้วก็ไปบวชไม่ได้ใช่ไหมอย่างคุณเนี่ยตอนนี้มีทรัพย์สมบัติมีเงินทองเนยถ้าคุณไม่สละคุณจะไปบวชได้ไงเพราะเวลาไปบวชนี่เขาไม่ให้เอาเงินเอทองติดตัวไปนะให้สละไปจะได้ไม่มาครบกวนใจจะได้ไม่มากังวลไม่งั้ น, กกนเดี๋ยวคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาพี่จะเอาไงดีเขาเขาจะเอาโน่นเอานี่จะซื้อนูน่นซื้อนี่ เราก็ต้องแทนที่จะมานั่งศึกษาธรรมะมาปฏิบัติก็มามาบริหารจัดการเงินทองอยู่ในวัดนั่นแหละยันก็ต้องสละเงินทองไปให้หมดนี่คือการทําบุญหน้าที่ของการทําบุญที่แท้จริงก็เพื่อให้เราถอนสมองไม่ให้เรามีภาวะผูกภาระผูกพันกับเรื่องเงินทองเพื่อเราจะได้ละใจเราจะได้โล่งใจเราจะได้ว่างเพื่อที่จะ จะได้เอาธรรมะเข้ามาสู่ใจได้ถ้าใจเราไม่ว่างมันก็จะมีเรื่องเงินทองมาคอยกิดขวางธรรมะอยู่เรื่อยๆธรรมก็ไม่สามารถเข้าสู่ใจได้เมื่อไม่มีธรรมในใจใจก็ร้อนเดี๋ยวก็ทนอยู่ไม่ได้ก็เสดไปอยู่ดีนี่คือเป้าหมายของการทําทานที่แท้จริงทําทานเพื่อให้ใจของเราไม่มีข้อผูกพันกับเรื่องภาระการหาเงินใช้เงิน ดูแลรักษาเงินทองเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาศึกษาธรรมเอาธรรมปฏิบัติธรรมเข้ามาสู่ใจของเราเพราะถ้าเรามีธรรมในใจแล้วใจเราจะมีความสุขมากสุขยิ่งกว่ามีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านค่คำถามจากคุณโจ พ่อของเราเป็นคนที่ชอบดื่มกินเหล้าจนทำให้คุมสติไม่อยู่เราสามารถช่วยท่านได้อย่างไรบ้างเมื่อท่านคือพ่อของเราเอาเอาขโมยเหล้าไปทิ้งเลยนี่เหล้าในบ้านก็ขโมยไปทิ้งให้มันหมดเอาไปซ่อนไนวะ้อย่าให้ท่านเห็นคาถามจากคุณอดิสรระหว่างนั่งสมาธิภาวนากับสวดมนต์ไหว้พระอย่างไหนได้กุศลมากกว่ากันครับ นั่งสมาธิกับสวดมนต์นะถ้านั่งสมาธิจิตมันจะสงบมากกว่าการสวดมนต์แต่มันก็แล้วแต่อยู่ขั้นไหนถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพราะการสวดมนต์นี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาทำให้ใจมีสติพอมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เรื่องด้วยโยมต้องอยู่กับคนที่พูดจาพูดจาทำหลายจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เห็นทีไรใจให้หวนเห็นภาพที่เขาทำไม่ดีกับโยมพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดท่องพุทโธก็แล้วการหนีออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆก็ทำได้เพียงชั่วคราวใจโยมไม่ได้โกรธและให้อภัยแล้วแต่ไม่อยากพบเจออีกควรทาอย่างไรดีคะ <S <S ก็ต้องตัดความอยากไม่พบให้เจอนั่นไปต้องเจอ จะเจออะไรก็ต <'s> ้องเจอมันอะไรจะเกิดก็เกิดอย่าไปที่เราทุกข์กันไม่ยทุกข์เพราะเขาพูดอะไรหรอกทุกข์เพราะเราไม่อยากเจอถ้าเราไม่มีความไม่อยากเจอแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาอยงั้นตัดไอ้ตัวนี้ฆ่าไอ้ตัวนี้ฆ่าตัวความไม่อยากไม่อยากเจอเขาถ้าต้องเจอก็เจอถ้าเขาจะทําอะไรไม่ดีก็ปล่อยเขาทาไปแต่อย่าไปอยากไม่เจออย่าไปอยากให้เขาไม่ทําแล้วมันจะทําให้เราทรมาน คำถามจากคุณอ้อยการตั้งจิตว่าตายแล้วขอไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิตถ้าหากยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสขอไปฟังธรรมของพระอริยะที่สวรรค์ชั้นนี้และทำให้เหตุพร้อมคือทรมศีลสมาธิภาวนาอีกทั้งความกระตันยูต่อผู้ให้กาเนิดการตั้งจิตแบบนี้เป็นสาเหตุของการไปจุดติพอจะได้ไหนคะถ้าวิบากกรรมไม่แรง เป็นติกําลังไม่ได้ไไดหรอกการขอมันไม่ได้มันต้องสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือทานศีลภาวนาไปขอมันขอไม่ได้หรอกขอได้ก็สบายก็ อ, อยากจะได้แล้วก็ขอกันคํถาถามจากคุณนารยาหากร่างกายไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติเช่นเป็นลมง่ายแต่ต้องการถือศีลแปดจะรับประทานพวกน้ําหวานหรือแบรนได้ไหมคะ ถ้าเป็นพวกน้ำหวานน้าตาลนี่ได้อยู่แต่พวกแบนด์มันเป็นอาหารไม่ได้คําถามจากคุณพัชราพรการเจ็บป่วยในชีวิตปัจจุบันเกี่ยวกับกรรมเก่าหรือใหม่เจ้าคะมันทั้งกรรมเก่าทั้งกรรมใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การดูแลสุขภาพร่างกายของเราถ้าเราไม่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรืออาจจะเป็นกรรมเก่า เราดูแลรักษาสุขภาพแล้วแต่มันยังมันยังเป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าคําถามจากคุณซิรีเบียเวลานั่งสมาธิแล้วพิจารณาทำไปด้วยทํำยังไงคะแล้วควรพิจารณาเรื่องใดดีคะ อ, อ๋อทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เวลานั่งสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดตอนนั้นอย่าไปคิดอะไรอย่าไปพิจารณาอะไรให้อยู่กับพุทธโธไป เนื้อดูลมหายใจไปให้จิตสงบเวลาจิตสงบแล้วก็ปล่อยให้มันสงบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถอนออกจากความสงบแล้วพอมันเริ่มคิดแล้วทีนี้ถ้าอยากจะคิดทางปัญญาก็เอาไปคิดได้คิดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอาการ32เช่นเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆ เอาไว้ไวแยว่าต่างๆในร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราของเราเลยเราไปหลงยึดไปติดเองไปว่ามันเป็นของเราเองเป็นว่าเป็นตัวเราเองสอนใจใหม่สอนให้เรามองความจริงมองความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามันไม่ได้ถ้าสอนบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย มันจะไม่คิดมันจะไม่ถือว่าผมขนเล็บฟันนี่เป็นตัวเราของเราแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายคำถามจากคุณนะัดโรคประจําตัวกรรมเก่าหรือเปล่าคะก็มันอย่างว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้เป็นของถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ก็ได้มันจะเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจเลยมันเป็นแล้วก็ดูแลมันไปตามกําลังของเราก็แล้วกัน คำถามจากคุณจรรญาถ้าจะบวชชีจะต้องทําอย่างไรบ้างเจ้าคะแต่ละวัดเหมือนกันไหมก็ไปหาวัดที่เขาบวชดูถามว่าดูแต่ละวัดเขาคงจะมีธรรมเนียมไม่เหมือนกันบวชแล้วแหละที่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ทธอ